ขยายความหนึ่งเวรัญชกันเริ่มต้นเด้เล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนัโครไม้สดาใกล้เมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เวรัญชพราหมณ์ได้ทราบกิตติศัพท์สรรเสริญจึงเข้าไปเฝ้าแต่ไม่ได้ถวายบังคมหลังจากทักทายปราศัยแล้วก็ได้กล่าวว่าได้ข่าวเขาพูดกันว่าพระสมณโคดม ไม่ว่า้พรามผู้สูงอายุหรือลุกขึ้นต้อนรับพรามผู้สูงอายุการที่พระสมณะโคดมทำเช่นนั้นย่อมไม่สมควรพระพุทธเจ้าตรัส ร, รับว่าพระองค์มิได้ว่า้พรามผู้สูงอายุจริงเวรัญชพรามจึงกล่าววาจารุกรานด้วยถ้อยคำที่ถือกันในสมัยนั้นว่าเป็นคำดูหมินเหยียดหยามรวมแปดข้อเช่นคำว่า พระสมณาคโคดมเป็นคนไม่มีรสชาติเป็นคนไม่มีสมบัติเป็นคนนำให้ชิบหายเป็นคนเผาผลาญเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายคำเหยียดยามนั้นไปในทางดีเช่นว่าใครจะว่าไม่มีรสชาติก็ถูกเพราะท่านไม่ติดรสคือรูปเสียงเป็นต้นใครจะว่าไม่มีสมบัติก็ถูกเพราะท่านไม่ติดสมบัติคือรูปเสียง เป็นต้นใครจะว่านำให้ชิบหายก็ถูกเพราะท่านแสดงธรรมะให้ทำบาปอากุศลทุกอย่างให้ชิบหายใครจะว่าเป็นคนเผาผลาญก็ถูกเพราะท่านเผาผลาญบาปอากุศลอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนทั้งหมดเมื่อตรัสตอบแก้คำดูหมิ่นเยียดยามของรามตกทุกข้อโดยไม่ต้องใช้วิธีด่าตอบ หาใช้วิธีอธิบายให้เป็นธรรมะสอนใจได้ดังนั้นแล้วจึงตรัสอธิบายเหตุผลในการที่พระองค์ไม่ไหวพรามผู้สูงอายุโดยเปรียบเทียบว่าลูกไก่ตัวไหนเจาะฟองไข่ออกมาได้ก่อนลูกไก่ตัวนั้นควรนับว่าแก่กว่าลูกไก่ตัวอื่นพระองค์เจาะฟองไข่คืออวิชาก่อนผู้อื่นจึงถือได้ว่าเป็นผู้แก่กว่าผู้อื่น เวรัญชพรามได้ฟังก็เลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรัยตลอดชีวิตแล้วกราบทูลอารัธนาให้ทรงจำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุษสงฆ์พระองค์ทรงรับโดยดุจณีภาพในสมัยนั้นเมืองเวรัญชาเกิดทุกภิกขภัยหาอาหารได้ยาก ถึงขนาดต้องใช้สลากปันส่วนอาหารภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยอาหารบินทบาดได้อาศัยข้าวแดงจากพ่อค้าที่พักแรมฤดูฝนณนเมืองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นว่าเป็นผู้ชนะในความหมายคือผู้ที่สามารถต่อสู้กับความยากลำบากได้โดยไม่ต้องใช้วิธีสแสวงหาในทางที่ผิดเช่นอวดตนเป็นผู้วิเศษเป็นต้น พระโมคคัลลานะเสนอวิธีแก้ไขความอดอยากหลายประการรวมทั้งการไปเที่ยวบินทบาตในที่อื่นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตส่วนพระสารีบุตรคำนึงถึงความตั้งมั่นแห่งพรมจรร์จึงกราบทูลถามถึงเหตุที่ทำให้พรมจรร์ตั้งมั่นและไม่ตั้งมั่นพระพุทธเจ้าส่งชี้ไปที่การบัญญัติสิกขาบทการสวดปฏิโมก คือสวดทบทวนสิกขาบททุกถึงเดือนว่าเป็นเหตุให้พระมจันตั้งมั่นการไม่ทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้พระมจันอันตรธานพระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้ทรงบัญญัติสิกขาบทพระพุทธเจ้าตรัสว่ายัางไม่ถึงเวลาคือพระสงฆ์ยังไม่มากลาบสการะยังไม่มากธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดาน ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ก็ยังไม่ต้องบัญญัติสิกขาบทถ้าพระสงฆ์มากลาบสการะมากธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะปรากฏในสงฆ์จึงควรบัญญัติสิกขาบททั้งขณะนั้นภิกษุสงฆ์ที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ล้วนเป็นพระอริยบุคคลคืออย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันเมื่อออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้าจึงชวนพระอานนท์ไปบอกลาเวรัญชพรามในฐานะผู้นิมนต์ให้จําพรรษาเวรัญชพรามนิมนต์พระองค์พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้นทรงรับนิมนต์และไปฉันตามกำหนดแล้วแสดงธรรมโปรดเวรัญชพรามแล้วเสด็จจาริกไปสู่เมืองโสเรยะเมืองสังกัดเมืองกันนกุชะโดยลาดับ เสด็จข้ามลำน้ำคงคาที่ท่าชื่อปยาคะไปสู่กรุงพาราณสีจากพาราณสีสู่เวสาลีประทับหน้าเรือนยอดในป่ามหาวัน